เป็นสีมุงคดหากคนธรรมดาสาวารได้ยางนี้เกิดวิเศษสูงสุดก็เดียวแต่นี้พระพุทธเจ้าของเรายังสูงสุดยิ่งกว่าเริ่อีอีกครับท่านี้เราถือพุทธศาสนาผู้ที่บัญญัติศาสนาคือทมคำสอนได้แก่พระพุทธเจ้าได้แก่พระ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 การบูชาเรียกว่าอามิตรบูชามีบูชาดอกไม้ทุกเพียรประลึกถึงพระคุณของพระองค์จัดเป็นการมาพระจงัุสลส่วนหนึ่งนอกจากนั้นอีกเป็นนิมิตอันดีงามของพุทธศาสนิใก่นชนที่นับถือพุทธศาสนา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 เป็นต้นเข้าคือเป็นผู้ไหว้วางสักวางศักดิ์สมาไว้เป็นหลักให้พวกเราดาเนินตามเราจึงค่อยได้พากันมาทำการบูชาพระคุณท่านอันนี้โดยเฉพาะเรื่องของพุทธอ๊คกับพุทธจักรทานนีส้สฉพาะไปต่อไปเช่นคนธรรมดาสามัญเช่นพิดามันดาของเราไม่ใช่แต่ว่าจะเลี้ยง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 หากไม่รู้จักบุญคุณของการละกันแต่ล้วจะไม่มีการทำดีเลยที่เราทำดีอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะเรารู้จักบุญคุณของทการที่ทำมีบุญคุณแก่เราจึงว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้ใน ล, ลึกถึงบุญคุณของผู้มีคุณทำให้ตัวเราดีขึ้นมาได้หากเราจะทำโกมชั่วทุจริตรูปผออิดเพราะขึ้นผิดต่างๆนานานะ เราจะระ ล, ลึกถึงความดีของผู้มีพราะคุณแก่เราแล้วเราจะกดในการที่เราจะทํำกลมชั่วนั้นเสร็ได้ถึงแม่อยากจะทําแต่ไม่ลู้ความดีของท่านเป็นเครื่องระงับกดกลั้นเจะถึงความชั่วนั้นเสร็ได้อันนี้พูดถึงเรื่องกตัตตานูวกับตะเวทีคือรู้จักบุญคุณของท่านผู้มีคุณแล้วเราทําดีต่อ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 มีหลักฐานยืนยันมั่นคงว่าพระสิตธาตุกุมารเกิดเมื่ อ, อไรณสถานที่ใดใครเป็นบิดามารดาใครเป็นพระญาติพระวง์ใครเป็นนักธรรมเหศสีเทวีพระราชาุตรชื่ออะไรอายุเท่าไรจึงออกบวชนรระาชาข้สมบุต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 ไม่เชื่อเด้งงมงายเชื่อได้ถือตามตำลับตำราหรัอครูบาอาจารย์เทศาสนางานงานถือละที่ทำยั ง, งอะไรใครบอกไงจะให้เชื่อเอาเลยไม่ได้เด็กขาดให้อ้างเหตุอ้างผลเชื่อโดยมีหลักฐานมั่นคง <t> นี่มันดีอย่างนี้ศาสนาพุทธที่เรามานับถือาศาสนาพุทธนั้นจึงมาเป็นโชคลาภมันดีแสงดีที่สุด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 นิ่งกายแล้วก็ที่เรียนมานั่นก็ไม่เชื่อตามลักที่นะยังต้องทดลองทุกคนดูว่าจะเป็นจริงหรือไม่แจะทดลองเต็มที่เต็มกําลังทุกอย่างทุกการในที่ที่ศึกษาเราเรียนเราเป็นของหนึ่งของนเค็ดการทําทุกททการคืออย่างนี้เป็นต้นเมื่อทําเต็มที่ไม่เห็นผลแล้วก็เลิกเพรว่าไม่จริง จนกระทั่งมาพึกฝผลพระองค์ด้วยทำที่เรียกว่าสมาธิได้เกองค์อริยามรรคทั้งแปดประการอย่างที่เราพาทกันทำนี่คือกรรมฐานนี่แหละพุหัดอารม์จิตใจนี่แหละให้เข้าถึงมรรคก็เรียกว่าอริยมรรคทั้งแปดประการจึงได้สําเร็จเป็นโัวอย่างคำว่าสัมฤทธิ์ในทนี่นี้นัะ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 อิปกิงจักนี่เราเห็นชัดแล้วอ่ะทำทั้งสองพระเจ้าสอนให้ดีเป็นทางนี่จะให้ถึงความสุขในเกษมยิ่งได้จริงทีเดียวมีขั้นต้นขั้นที่สองสอนให้รักษาสิทคืองดเว้นจากความชั่วโดยดขาดระหว่าจาพ้อมันใจเจตนาวิรติงงดเว้นด้วยโดยใจความแล้วก็หมายความว่า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 การที่รักษาตนแต่ละคนละคนก็ได้องสอนให้รักษากายใจของแต่ละคนละคนนั้นไม่ใช่ได้คนทุกขแต่เฉพาะเราความทุกขที่เกิดขึ้นจากเรานั้นหมายความว่าเราไม่มีคมเดือดร้อนวิตกิสารอะไรในกายในใจั้งตนมองรู้สิ่งไหนเป็นได้ของมูลสุดทางนั้นไม่มีคมชั่วติดอยู่ในกายในใจของตัปรากฏชัดขึงไหน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 ของได้ที่ไม่มีจะเปวัตถุไม่มีรูปไมีร่างทําไมไม่ยังเป็นของมีค่ามีประโยชน์เหลือเกินผู้ที่มีสิน 5, ส้นห้าสิ้นแปดมีสิ้นจิตสินสร้อยเทียนแทนที่จะเป็นของหนัก อ, อกหนักใจของมากเปล่าหายได้เป็นเช่นไง ม, มีแต่กลมเยือกเปลนเป็นถุกธรรมดาของมากมันต้องกีบขวงแมของหนักแต่นี่ไม่มีหนักไม่กีบขวงอะไรลุย นี่เรามองเห็นชัดอย่างเงี้ยทำขั้นสองพุดเก่าท่านสอนให้เราเป็นคนดีได้แล้วเห็นชัดขึ้นมาในตัวขงองคุณทนนี้อันนี้เรียกว่าขั้นที่สองแ้ขอขั้นที่สองมานล้วเมองเห็นได้ว่าเป็นของดีมีคุณค่าประโยชน์ขั้นที่สามสื่อมลมจิตฝึกฝนอรมจิต จิตของเรามันเป็นของวิ่งเต้นกระสับกระสายจิตของเราของคนเราเป็นของพุง่งซ่าเดือดร้อนคำธรรมดาคำว่าพุ่งซ่าเนี่ยคือหมายตึงว่ า, ม, ามันเดือดร้อนถ้าจะมาเปรียบน้ำเป็นของเย็นเย็นกถูกร้อนเมันมพุ่งขึ้นมาเดือดร้อนใจของเราถ้าหาก็มันเดือดร้อนพุง่งซ่าก็เรียกว่ามัน ม, มันมันมันร้อนมันกระสับประสาไม่เจ็บของเย็นแผลของที่ร้อนร้อนคิดใจกระสรับกระส่าุคงสั่ามันกัหน้าที่มันเดือดมันพรุ่งอันนี้พระ้องค์สอนให้เราสงบสอนให้เราอบรมจิตใจมันสงบถ้าต้องการความสุขล้วให้ทำใจให้สงบ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 เขามันเมียนไปยุกเราจะต้อตงละอันนี้มันยากตรงนี้หรือจะพูดกันเป็นภาษาสรรษัพท์กันอีกหน่อยอ่ะอัตตากับสุญญตาทิศกันสุญญตาคือของไม่มีนีของศูนย์เปล่าเรียกว่าสุญญตาสุญญตาไม่ใช่อันตตาอันตตาคือของมีแล้วไปเห็นของมีอยู่ไม่ใช่ของเรา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 คารวแล้วอีกยังมีอีกติดตามอีกคือรักคารบแล้วรักเช่นเราคารบะวิดามันดาเพราะท่านมีประกาศคุณแก่เราแล้วเราก็คารบแล้วก็รักท่านมารักท่านเหลือเกินคำว่ารักในที่นี้เน่ไม่ใช่รักอย่างกิเลสตัณหาอย่างแบบหนุ่มสาวรักกันหรือคนหนาดรักใคร่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 คิดใจจะอยู่ในเอกกับตาลมเอกกับตาจิตจะไม่ได้คิดพุ่งสร้างจมว้ยที่นอกทั้งอื่นนอกจากคุณพระพุทธเจ้าก็ระสมเหตุ น, นั้นจึงจะได้ชื่อวเป็นบุญพุทธส่วนยิ่งใหญ่เป็นสัมจงพากันตั้งใจปฏิบัติตามทำคําสอนพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงหลักนี้จะได้ชื่อว่าเป็นคนนับถืออย่างแ น, น่วแน่นนับถือเคารพรักอย่างนี้นั้น